ในช่วงคุยกันธรรมะวันนี้อาตมาพระวันอย่างเรื่องเมตตาเนี่ยๆแล้วนะให้มีเมตตาให้มีเมตตาแต่พอถึงเวลาๆเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจเนี่ยแหม นะหาไม่เจอเลยไม่ๆเนี่ยเลื้อยวงไอ้เลื้อย เขาให้เค้าเอาเลื่อยขนาดนั้นเนี่ยมาเลื่อยตัวเธอ 2 ฝั่งเลื่อยให้เราขาดออกจากนั้นเนี่ยนะ เนี่ยน้อยก็มีจึ๊ๆบ้างสักนิดนึงอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะ นึกหมายความว่าเราจะไปต่อสู้กับโลกภายนอกได้ในสิ่งที่มันจะมาดึงเราให้ไปในทาง เรากุญจ์จิตวัคซีนป้องกันไปอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรเช่นความเมตตาเนี่ยมา นะเป็นโปรเมมิหานๆแล้วมันแค่เค้าขับรถปาดหน้าอย่างเงี้ย คุณแค่จำได้เฉยๆว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีอยู่นะทําให้เราสบายใจได้แม้กระทั่งจิ๊ดนิด คุณโกรธมันมันยากขึ้นมาแล้วเนี่ยแม้จะเอาเมตตาไปไปใช้งาน เขาก็ต้องถามว่าก่อนยุงกัดหรืออย่างยุงกัดแต่ถ้าก่อนยุงกัดก็แบบนึงหลัง เมตตาเจโตวิมุตติเนี่ยนะเมตตาเจโตวิมุตตินี่ก็เป็นศัพท์เทคนิคเฉยจริงๆแล้วก็คือหมายถึงความรักความนะปรารภมาแต่ก่อนเราจะ แต่เตียงนอนที่นอนเนี่ยนะเสื่อของท่านเนี่ยรู้สึกๆเนี่ย นะระหว่างวันนะเราไม่ใช่ว่ารอให้เรามีเรื่องกระทบใจมีเรื่องกระทเรนใจแล้วเราค่อยไปเจริญ ในโดยที่ยังไม่ต้องปรากฏเห็นใดๆอันนี้ให้ชี้ว่าเราส่งเมตตาไว้ในจิตของเราล่ะนะชี้ว่าเอาวัคซีนที่ อ่าความยินดีที่เขาได้สิ่งนี้อย่างเงี้ยนะเห็น <นะ. S 1> ที่มันต้องการความเมตตาขึ้นณเดี๋ยวนั้นเนี่ยเวลาที่คนนึงใกล้ตัวเค้า นะทำอยู่ตลอดเวลาทำมาแต่ก่อนนะธรรมมาตรการก็คือว่าถ้าสมมุติคุณ นะคุณทําตอนนี้ก่อนแล้วคุณค่อยหวังผลต่อๆไปอันนี้คือเราฉีดวัคซีนวันนี้นะฉีดในปริมาณหรือว่าเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่ ในสถานการณ์อย่างโปรเจกต์โครงการที่มันเร่งด่วนอย่างเงี้ยต้องมีการโกรธกันด่ากันไปนะนะมันไม่ใช่ว่าๆเท่านั้น เป็นเวลาที่เราพยายามทําเนี่ยเราก็ทําให้ถูกต้องตาม เป็นไฟที่จะมาเผาจิตของเราเนี่ยให้มันร้อนไหมทําแลมไปก็ไม่สบายๆหน่อยๆเท่านั้นเองในระยะยาว นะจะเป็นผลดีต่อการทํางานในระยะยาวเพราะในโครงการในนะไม่ใช่คุณหน้าสัปดาห์หน้าเดือนหน้าเนี่ย เห็นผู้เขาทองฟ้าน้ําทะเลคนรถยนต์โทรศัพท์มือถือแผ่เมตตาให้หมดเลยนะให้มีจิตใจที่ประกอบด้วย มีเครื่องคุ้มกันเครื่องคุ้มกันและเป็นจิตที่มีเมตตามาแล้วแต่ก่อนได้เลยในขณะที่ เบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างน่ะทั่วทุกท่างเสมอ 4 ทิศได้อย่างไม่ยากฉัน ในอะไรก็ทําเราก็ชื่อว่ามีวัคซีน